เรื่องโพธิราชกุมารสมัยนั้นโพธิราชกุมารสร้างปร า, าสาทโกกนุษย์เสร็จได้ไม่นานยังไม่ได้นิมนต์สมณพราหมณ์หรือเชิญมนุษย์คนไหนมาครั้งนั้นโพธิราชกุมารสั่งมานพสัญชิกาบุตรว่า มาเถิดสหายสัญชิกาบุตรท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายอภิวาสแท่พระยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูล ถ, ถามถึงการมีพระประชวนเบาบางความมีพระโรคาพาดน้อยทรงมีความกระปรี้กระเพ่าพระพลานามัยทรงพระเกษมสำราญ แล้วทูลนิมนต์ว่าขอพระผู้มีพระภาค พ, พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหารของโพธิราชกุมารเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าข้ามานพสันชิ ก, กาบุตรรับคำสั่งโพธิราชกุมารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลสนทนาปราัยกับพระผู้มีพระภาค พอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วนั่งณนที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าโพธิราชกุมารขอถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล้าวทูลถามพระประชวนเบาบางมีพระโรคาพาดน้อยทรงกระปรี้กระเปา่าพระพลานามัย ทรงพระกระเสมสำราญและกราบทูลนิมนต์อย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัฒตาหารของโพธิราชกุมารเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ค, ครั้นมานบสัญชิกาบุตร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 ขอถวายอภิวาสพระยุคนบาทของท่านพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล้าวทูลถามพระประชวนเบาบางมีพระโรคาพาธน้อยทรงมีความกระปรี้กะระเป่าพระพลานามัยทรงพร ะ, กะเกษมสําราญและกราบทูลนิมนต์อย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงรับพัตตาหารของโพธิราชกุมารเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ก็พระสมณโคดมทรงรับนิมนต์แล้วครั้นผ่านราตรีนั้นโพธิราชกุมารรับสั่งให้เตรียมของเคี้ยวของฉันที่ประนีรับสั่งให้ใช้ผ้าขาวปูลาดโกกนุษปราศาสจนถึงบันไดขั้นสุดท้าย รับสั่งมานพสันชิกาบุตรว่าท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลพัตฒกาลว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วมานพสันชิกาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลพัฒกาลให้ทรงทราบ พอถึงเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของโพธิราชกุมาร<ม>เวลานั้นโพธิราชกุมารประทับรอพระผู้มีพระภาคอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงเสด็จไปต้อนรับ ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วเชิญพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเข้าโกกนุษปราศาสพระผู้มีพระภาคประทับยืนใกล้บันไดขั้นต่าสุดโพธิราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงเหยียบผ้าพระพุทธเจ้าข้า ขอพระสุคตโปรดทรงเหยียบผ้าอันจะเป็นเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานเถิดเมื่อพระราชกุมารกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงดุษณีภาพแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคทรงดุษณีภาพแม้ครั้งที่สองโพธิราชกุมาร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงเหยียบผ้าพระพุทธเจ้าข้าขอพระสุคตโปรดทรงเหยียบผ้าอันจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานเถิดแม้ครั้งที่สโพธิราชกุมารก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 พระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นโกกนุตปราศาสตร์ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระราชกุมารทรงนำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยพระองค์เองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัตตาหาร แล้วละพระหัตจักบาทได้ประทับนั่งณนะที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้โพธิราชกุมารเห็นชัดชวนใหอยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแ ก, กล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาแล้วเสด็จกลับ